เรื่องที่3วิธีแก้ง่วงชีวิตของคนเราถ้าดูอย่างเพลินๆมีอยู่สองระยะเท่านั้นคือตื่นกับหลับถ้าไม่หลับก็ตื่นและถ้าไม่ตื่นก็หลับแต่ดูให้ละเอียดเข้าไปอีกเราจะพบว่ายังมีระยะของชีวิตอีกระยะหนึ่งระหว่างตื่นกับหลับต่อกันคือง่วงซึ่งเราเรียกว่าง่วงนอนความง่วงนอนนั้น ตามความรู้สึกของคนทั่วไปรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหลือเกินไม่มีอะไรน่าสนใจนักปรักก็ไม่เคยบัญญัติเรื่องการง่วงไว้ในหมวดวิชาแขนงไหนในท้องตลาดก็ไม่ปรากฏว่านักอุตสาหกรรมได้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับการง่วงไว้ซื้อขายแต่อย่างใดเห็นมีแต่เครื่องหลับกับเครื่องตื่นเครื่องง่วงยังนึกไม่ออกว่ามีอะไร นึกนึกดูก็จะเห็นด้วยกับความรู้สึกของใครๆที่ว่าเรื่องง่วงเป็นเรื่องเล็กแต่ครั้นศึกษาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามากๆกลับเกิดความรู้สึกว่าเรื่องง่วงเป็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งน่าสนใจทีเดียวพระพุทธเจ้าของเราทรงเอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแวกสิ่งชั่วร้ายที่กำบังจิตใจของคนทั้งหลาย เพื่อทรงหยิบยื่นรถธรรมให้แก่เขาให้เขาเห็นแสงสว่างแห่งดวงธรรมแต่แล้วเมื่อพระองค์ทรงชี้ลงไปว่ามีอะไรบ้างที่กั้นกลางใจคนให้รับความดีไม่ได้ทรงประมวลเอาสิ่งกั้นกลางใจที่สำคัญที่สุดขึ้นแสดงห้าอย่างซึ่งเรียกว่านิวรห้าในห้าอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามีความง่วงรวมอยู่ด้วยเรียกเป็นภาษาบาลีว่า นามิ t h แปลว่าความง่วงนอนถ้าเช่นนั้นเรื่องง่วงก็ไม่ใช่เรื่องเล็กกระสิขนาดหนึ่งในห้าของสิ่งกิดขวางใจความง่วงจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่เถอะใหญ่หรือเล็กก็ขนาดความง่วงนั่นแหละใครๆก็เคยง่วงมาแล้วเชิญวัดดูเองก็แล้วกันแต่ผมอยากจะเรียกว่าของเล็กนั้นบางที มันก็บังของใหญ่ได้เหมือนกันมันเล็กเสียจนยุ่งก็มีอย่างเช่นเม็ดทรายใครนึกบ้างว่ามันจะบงังภูเขาได้มิดเมล็ดทรายเล็กกว่าภูเขาไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านเท่าแต่มันอาจเป็นไปได้ไหมถ้าหากทรายเจ้ากรรมเมล็ดนั้นแทนที่มันจะติดอยู่ที่เท้าเราแต่หากเข้าไปอยู่ที่ในตาของเราเสีย ตีเสียว่าที่ในตาของเราสองข้างมีทายข้างละเม็ดเท่านั้นอย่าว่าแต่ภูเขาในเมืองไทยเลยแม้แต่ภูเขาีิมาลายทั้งลูกเราก็มองไม่เห็นไม่เชื่อเชิญลองดูเถอะความง่วงก็เหมือนกันแม้มันจะเรื่องเล็กแต่ถ้ามันเกิดที่ใจใครแล้วยุ่งเหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งง่วงนอนโปรแกรมคือง่วงในเวลาที่เรายังไม่อยากหลับ มันเกิดขึ้นในใจของนักเรียนหรือนักศึกษาขณะอยู่ในห้องเรียนผลก็คือไม่ได้ความรู้และอาจหมายถึงการสอบตกนำความเสียใจมาสู่มารดาบิดาหรือผู้อุปการะก็ได้ถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นในใจคนขับรถขณะกำลังขับอะไรจะเกิดขึ้นใครๆก็ทราบมีหวังตายบางรายตายกันเป็นครึ่งคันขอนคันก็มี เพราะความง่วงแท้ๆเรื่องเล็กมันทำเหตุทหารเกิดง่วงในขณะอยู่ยามเข้าตารางมาแล้วไม่รู้เท่าไหรเท่าไรอย่าว่าแต่คนธรรมดาหากินด้วยธุรกิจภายนอกเลยขนาดฮิ้วตะกร้าหมาเข้าไปนั่งฟังเทศอยู่ในโบสถ์จะไปสวรรค์อยู่รัมมารอแล้วความง่วงมันยังตามปรังแก่ได้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเสีเลย ที่ร้ายที่สุดคือเวลาทำสมาธิทําไปได้ไม่ถึงไหนก็เพราะตัวเสนียดความง่วงนี่เองยิ่งคิดดูมากๆตามหลักธรรมของศาสนาแล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่าความง่วงไม่ใช่เรื่องเล็กสิแล้วขนาดทาให้นักเรียนสอบตกทําให้คนตายทําให้คนติดคุกและทําให้คนชั่วจากสวัสดิภพานอย่างนี้จะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างไร ถ้าจะพูดถึงคนที่ความง่วงมันจะเล่นงานก็ไม่เห็นว่ามันจะยกเว้นพระเจ้าประสิทธิราชแห่งประเทศโกศลมหาอนาจหนึ่งในชมพูถวีปโดนความง่วงเล่นงานเอาในขณะเข้าเฝ้าพระสัส ด, สดาถึงกับทรงพระสัปพงกต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็เคยมีมาแล้วพระมหาโมคลานะเจ้าแห่งริเดต มีสาวกบ ร, รมียาเต็มตัวยังนั่งสับ ป, ปงกจนทำความเพียรไม่สำเร็จก่อนหน้าจะบรรลุอรหันต์เพียงไม่กี่วันเพราะฉะนั้นขอให้เรามาเสียเวลาสักสินาทีพิจารณาเรื่องง่วงนอนกันสักนิดเถอะใครเขาจะว่าเรื่องง่วงเป็นเรื่องเล็กก็ช่างเขาพระศาสดาของเราก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วกันไม่มีแขนงวิชาประเภทใดว่าด้วยการง่วงนอน ก็ช่างประไรในเมื่อวิทยาการเรื่องนี้มีอยู่ในศาสนาของเราอย่างเพียงพอก่อนหน้านี้ไม่นานผมเคยนำคำสอนทางศาสนาว่าด้วยวิธีทำให้นอนหลับเมื่อเผยแพร่แล้วแม้เดี๋ยวนี้เสียงชมเชยวิธีการนั้นก็ยังสะท้อนมาถึงผมอยู่ไม่สั่งสาอันนี้เป็นวิชาตรงกันข้ามกับเรื่องนั้นคือวิธีแก้ง่วงนอน โอกาสที่ควรนำออกใช้จะเป็นโอกาสใดก็ตามที่ท่านไม่อยากหลับแต่ถูกความง่วงมันรบกวนเช่ขนขณะอยู่ในห้องเรียนกำลังประชุมกำลังฟังปากฐกถากำลังฟังเทศกำลังทำสมาธิกำลังขับรถกำลังอยู่เวรอยู่ยามและไม่ว่าจะเป็นขณะที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม เพียงแต่เรียกวิธีแก้ง่วงให้เหมาะกับการเทศะก็ใช้ได้ประเภทของคนง่วงถ้าจะให้ดีน่าจะตรวจดูตัวเองก่อนว่าท่านเองเป็นคนง่วงประเภทไหนในสามประเภทนี้คือ1เป็นโรคโมหจริตคือหย่อนสมรรถภาพมีพลังทางจิตน้อยคิดการไม่ได้นานคนประเภทนี้เป็นนักง่วงอาชีพ แก้ไม่หายมีทางเดียวคือทำงานทางใช้แรงกายเป็นอาชีพ 2. บริหารร่างกายผิดที่สำคัญคือรับประทานจุเกินไปในขณะเดียวกันกลับทำงานน้อยที่ว่าทำงานทำงานนี้หมายถึงทำงานเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่สั่งงานหรือนั่งชี้นิ้วให้คนอื่นทำแต่คิดว่าตนได้ทำงาน ความง่วงประเภทนี้มักจะเล่นงานท่านที่งานน้อยเงินมากคือมีงานทำน้อยแต่มีเงินซื้ออะไรรับประทานเหลือเฟือส่วนพวกคนงานมากเงินน้อยรอดตัวไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดรู้สึกตัวว่าง่วงซึมเพราะงานน้อยเงินมากแล้วก็แก้ได้ไม่ยากคือทำงานให้มากขึ้นไม่มีอะไรทำก็โยกย้ายจัดแจงข้าวของในบ้านก็ได้ถึงเงินมาก ถ้างานมากสิแล้วก็ไม่เป็นไร 3. อดนอนนานพวกนี้สิแย่ก็ไม่มีอะไรมากคือธรรมชาติสร้างร่างกายมานี้มีอัตราวไว้แล้วในชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งต้องตื่นเท่าไหร่ต้องหลับเท่าไหร่เกี่ยวกับการพักของอวัยวะร่างกายทีนี้ร่างกายมันเป็นธาตุของใจใจเป็นธาตุของกิเลส กิเลดบังคับใจให้คิดไอ้นนทก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาเสร็จแล้วใจก็ไปเคี่ยวเขียนเอากับร่างกายไม่ให้หลับให้นอนตามเวลาธรรมชาติกาหนดไว้พาร่างกายไปเที่ยวซอกซอกหามรุ่งหามค่าอดหลับอดนอนทีแรกๆก็ไม่เป็นไรแต่ครั้งร่างกายถูกโกงเวลาหลับมากๆเข้าทีละสองชั่วโมงสองชั่วโมงเวลาหลับที่ถูกโกงเอาไปนั้น ร่างกายก็บวกไว้เรื่อยคือเพิ่มความขี้ง่วงมากขึ้นทุกทีหนักเข้าก็เลยกลายเป็นคนขี้ง่วงเผลอไม่ได้พอร่างกายนิ่งพักเดียวมันก็ง่วงง่วงประเภทนี้แหละที่เราจะเจอกันอยู่มากในเวลานี้และเป็นความง่วงที่จะพึงแก้ด้วยพุทธวิธีทั้ง8ต่อไปนี้อุบายแก้ง่วง8วิธีเมื่อครั้งพระมหาโมคคลานะ ทำความเพียรอยู่ที่ใกล้หมู่บ้านกะละวามุตคามถูกความง่วงครอบงำพระศาสดาได้เสด็จไปแนะวิธีบำบัดความง่วงให้ท่านดังนี้ลำดับที่หนึ่งคิดถึงสัญญาคือขณนะที่เราเริ่มง่วงนั้นจิตกําลังคิดอะไรเช่นกําลังฟังคําสอนไปถึงคําว่าอะไรก็ให้คิดกําหนดคํานั้นๆซ้ําๆ กดจิตไว้ตรงนั้นนานพอสมควรแล้วจึงปล่อยเวลาปล่อยกระแสจิตจะวิ่งพลูออกไปอย่างแรงกระตุ้นหาไทยรูปให้ทำงานแล้วหายง่วงอย่างนี้เรียกว่าสัญญาไม่ใช่คิดถึงสัญญาอย่างที่มีต้นมีดอกที่จริงก็แก้ได้เหมือนกันยิ่งสัญญาจะบับไหนดอกแพงๆเจ้าหนี้ร้ายๆหน่อยคิดถึงที่ไร นอนไม่หลับเสียด้วยซ้ำใครจะลองก็ได้ถ้ายังไม่หายง่วงใช้วิธีที่สองลำดับที่สองพิจารณาความรู้คือคิดถึงวิชาความรู้ที่เราชอบอย่างเช่นนักมวยขณะฟังเทศเกิดง่วงก็เอาใจไปคิดถึงการต่อยมวยเสียสักครู่หนึ่งหายง่วงแล้วค่อยฟังต่อไปเสียผลทางฟังเทพไปครู่หนึ่งแต่แก้ ง, ง่วงได้ ถ้าทำอย่างนี้ยังไม่หายก็ให้ใช้วิธีที่สามลำดับที่ 3, สามสาธยายมนคือท่องวิชาที่เรเรียนไว้แล้วโดยตรงก็คือส่วนมนธรรมวัดนี่แหละถ้าอยู่คนเดียวท่องออกเสียงเลยหายง่วงเป็นปริทิงโดยอ้อมท่านอาจท่องอย่างอื่นก็ได้เช่นท่องชื่อจังหวัดชื่อคนเป็นต้นจิตที่ถูกเคาะด้วยข้อความบังคับจะตื่นตัวขึ้น แล้วหายง่วงถ้าง่วงมากยังไม่หายให้ใช้วิธีที่สี่ลำดับที่4ย้อนหูถูตัวหลักง่ายๆคือเอานิ้วมือย้อนหูทีละข้างถูไปให้ทั่วส่วนของใบหูทั้งข้างนอกข้างในให้ใบหูร้อนแล้วก็เอาฝ่ามือถูตามผิวตัวที่พอจะถูได้เช่นใบหน้าท่อนแขน และ้ายทอยเป็นต้นพอประสาท ต, ตื่นตัวความง่วงก็จะหายวิธีนี้เหมาะสำหรับเกิดง่วงในที่ประชุมถ้ายังไม่หายให้ใช้วิธีที่หาลำดับที่5ยืนลูบตาหาทิศคือลุกยืนขึ้นยืดตัวให้สุดลำตัวเอามือจุ่มน้ำลูบที่ตาอาจใช้ผ้าเช็ดหน้าสะอาด ชุบน้ำให้เปียกแล้วปิดไว้ที่ตานานๆก็ยิ่งดีให้รู้สึกตาเย็นเหมือนตาใช่น้ำแข็งแล้วก็มองหาทิศทั้งหคือตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ทิศบนทิศล่างที่ว่าหานั้นหาจุดที่ตรงทิศจริงๆอย่างหาทิศ ต, ตะวันออกต้องหาจนรู้ว่าตะวันขึ้นตรงยอดไม้ใบไม้อันไหนแน่แล้ว ก็จ้องมองเวลามองทิศบนก็ต้องให้ตรงศรีรษะจริงๆถึงกับคอตั้งพูดง่ายๆก็คือบำบัดด้วยยืดเส้นยืดสายนั่นเองแต่ทำอย่างมีตำรับความง่วงหายไปมากถ้ายังไม่หายให้ใช้วิธีที่6ลำดับที่6ส่องแสงหลับตาลงแล้วเราจะเห็นมีแสงคล้ายๆตะวันขึ้นใหม่ จงนึกขยายแสงนั้นให้กว้างใหญ่ออกไปจนสว่างหมดทั้งโลกถ้ากำลังนึกขยายนั้นแสงมันหลุดเล็กลงอีกก็ให้ขยายใหม่พยายามทำตรงที่จับแสงนี้เองที่จะทำงานและหายง่วงถ้ามันยังไม่หายให้ใช้วิธีที่7จลำดับที่7เดินจงกรมคือกับเส้นทางที่จะเดินเสียก่อน ต้องเป็นทางตรงราวๆ1 5าถึง1 6วา์แล้วเดินกลับไปกลับมาเวลาเดินเอาสติกำกับไว้ที่เท้าสักพักใหญ่ก็จะหายง่วงถ้าไม่หายใช้วิธีสุดท้ายลำดับที่8นอนสีหาสยาตคือนอนตะแคงข้างขวาตั้งสติกำหนดใจว่าจะนอนนานเท่าไหร่แล้วนอนนี่เป็นวิธีสุดท้าย แก้ง่วงได้ฉะงัดเลยแก้ง่วงได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวคือถ้านอนอย่างนี้เป็นประจำให้นานวันพอสมควรความขี้ง่วงขี้ซึมจะค่อยๆหายไปเองนี่แหละท่านธรรมะของพระพุทธเจ้าใครก็ชอบว่าฟังเทศง่วงนอนแต่พระองค์ทรงบอกอุบายแก้ง่วงไว้ให้แล้วแล้วใครว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องนอกโลก ก็วิธีแก้ง่วงนี้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตทุกคนไม่ใช่หรือคนขับแท็กซี่คนขับรถเมีคนยามคนเวรใช้ได้ทั้งนั้น